จน <pal AJ 2> <c oughs> ีกะสาสิเกอนุสภาวะธรรมที <any satisfied> uh ่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมวิเว้นรูปแล้วขันที่เหลือไม่เป็นรูปแต่เป็นขันเว้นรูปและขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมวิ เว้นเวทนาแล้วขันที่เหลือไม่เป็นเวทนาแต่เป็นขันเว้นเวทนาและขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปาติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมวิเว้นสัญญาแล้วขันที่เหลือไม่เป็นสัญญาแต่เป็นขันเว้นสัญญาและขันแล้ว สภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสัญญาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมวิเว้นสังขารแล้วขันที่เหลือไม่เป็นสังขารแต่เป็นขันเว้นสังขารและขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสังขารก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิ สภาวธรรมท dreams, Normally, yeah, ี farmers, potato, ่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมวิเว้นวิญญาณแล้วขันที่เหลือไม่เป็นวิญญาณแต่เป็นขันเว้นวิญญาณและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิญญาณก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิใช่สี่ สุธขันธมระจักรวาระอนุโลมสี่สิบอนุรูปเป็นขันธใช่ไหมวิใช่ปฏิขันเป็นเวทนาขันธใช่ไหมวิเวทนาขันธเป็นขันธก็ใช่เป็นเวทนาขันธก็ใช่ขันธที่เหลือเป็นขันธแต่ไม่เป็นเวทนาขันธอนุรูปเป็นขันธใช่ไหมวิใช่ปฏิขันเป็นสัญญาขันธใช่ไหมวิ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมวิเว้นรูปแล้วขันธ์ที่เหลือไม่เป็นรูปแต่เป็นขันธ์เว้นรูปและขันธ์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นขันธ์ก็ใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุ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 สภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็น ข, น oda, ข, in, ขันธ์ก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมวิเว้นเวทนาแล้วขันธ์ที่เหลือไม่เป็นเวทนาแต่เป็นขันธ์เว้นเวทนาและขันธ์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็นขันธ์ก็ใช่ปฏิ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 วิชัย อ, อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมวิชัยปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิชัย อ, อนุสภาวธรรมที future, ไมไม่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมวิชัยปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมวิชัสี่จุดเก้าอนุ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 ปัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลห้าสิบอนุรูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกาลังเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังเกิด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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและรูปขันก็กำลังเกิดอนุโลมะโอกาสห้าิบอดอนุรูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภู ม, ม, ใใภมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิในภูมินั้นรูปขันกาลังเกิด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 รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปขันมิใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดสองอตตวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลห้าสิบหกอนุรูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ เวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาห้าสิบเจ็ดอนุรูปขันในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตภภภตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้น รูปขันเคยเกิดและเวทนาขันก็เคยเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดเคยเกิดรูปขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอรูปภู ม, ใภ ม, ใภ ม, ใภมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดในปัญจาโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยเกิดและรูปขันก็เคยเกิดอนุโลมปุคโลกาฏ ห้าสิบปดอุรูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันธ์ก็เคยเกิด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 ปัจจ尼กะบุคคลห้าสิบเกอนุรูปประขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิไม่มีปติเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดรูปประขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิไม่มีปัจจ尼กะโอกาสหกสิบอนุรูปขันในภูมิใดไม่เคยเกิด เวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปัจเนกาบุคลโอกาสิบอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปขันธ์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปขันธ์ก็ไม่เคยเกิดสอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลหกสิบสอง อนุรูปขันของบุคคลใดจกเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดจกเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและรูปขัน์ก็จะเกิดอนุโลมโอกาตหสิบสาอนุรูปขันในภูมิใดจกเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันจกเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จกเกิดในปัญจโวกาลภูมิในภูมินั้นรูปขันจกเกิดและเวทนาขันก็จกเกิด เวทนาขันในภูมิใดจกเกิดรูปขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจกเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จกเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจกเกิดและรูปขันก็จะเกิดอนุโลมปุคโลกาต64อนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตว์ภูมิรูปขัน์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด รูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบาทอยู่ในอรูปภูมิเวทน า, าขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบาทอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทน า, าขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปขันก็จะเกิดปัจจีกะบุคคล65 อ, อนุ รูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่เกิดปชิมภวิกะบุคคลรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปจเนกาโอกาดหกสิบอนุรูปขัน์ในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจักเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ จากเกิดปัจจเนียกะบุคคลโอการหกสิบเจดอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จากไม่เกิดปัติมัภวิกะบุคคล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 อนุเวทนาขันธ์ของบุคคลใดกำลังเกิดสัญญาขันธ์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันธ์ของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กาลังเกิด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 และรูปขันก็กําลังเกิดเจสิบออนุเวทนาขั น, นในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมปุคโลกาฏเจ็อนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั <Wheels GRANT> ้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็เคยเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กาลังเกิด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 รูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีเจ็สิบห้าอนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มี